เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สวันที่หถึง16ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดสังขารขันเป็นขันที่มีความพิสดารยิ่งมีการแปลขบวนเป็นต่างๆได้หลากหลายแม้แต่กรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขารขันดังนั้นสังขารขันคือสิ่งที่ทำให้เราเราท่านท่านทั้งหลายมีความแบ่งแยกแตกต่าง หากเปิดคัมภีร์ดูจะพบว่าสังขารขันจำแนกออกได้มากกว่าร่วมครึ่งร้อยโดยหลักจะแบ่งตามภาวะที่เป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเบื้องต้นจึงไม่นิยมท่องให้ครบแล้วสังเกตให้ทั่วเว้นแต่จะมีสติเข้มแข็งถึงขีดหนึ่งแล้วเมื่อกลับไปเปิดคัมภีร์และสังเกตตามรวมทั้งเห็ น, นกลไกอันชัดเจนตามหลักอภิธรรม เช่นนั้นจึงจะเกิดผลประโยชน์ได้ในแง่ของความเห็นอนัตตาแจ่มแจ้งสังขารรัขันที่ครูบาอาจารย์พระป่ามักแนะนำให้ดูคือความชอบและความชังความชอบกับชังนั้นดูง่ายและมีให้ดูทุกวันเพราะมันเป็นปฏิกิริยาทางจิตที่มีต่อสิ่งกระทบรอบข้างซึ่งต้องมาโดนเราตลอดต่อให้หลีกเร้นหายหน้าเข้าป่า หรือดำน้ำลึกเพียงใดอย่างไรก็ต้องเจอวันยังคำ่ำและความชอบกับความชังนั้นดูดีๆ ด, ดูบ่อยๆแล้วก็จะสาวเข้าไปถึงอาการทยานอยากของจิตได้ง่ายความทยานอยากหรือตัณหานี้เองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นต้นต่อแห่งทุกข์หากเห็นชอบกับชังบ่อยจนกระทั่งรู้ว่าระเกิด รู้ว่าระดับของมันเท่าทันแจ่มแจ้งในที่สุดความชอบชังก็จะถูกปัดไปรวมกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งในใจเราช่วงนี้เมื่ออยู่ในระหว่างวันธรรมดาหรือแม้แต่นั่งสมาธิเดินจงกรมในช่วงพิเศษของวันฉันจะสังเกตกายและเวทนาน้อยลงแล้วหันมาเพิ่มความสนใจสัญญาและสังขารมากขึ้น ส่วนวิญญาณนัขันยังไม่ได้ดูถนัดนักเหตุที่มาให้ความสนใจสัญญาเพราะเห็นสัญญาดับไปแต่ละครั้งแล้วว่างโล่งอย่างบอกไม่ถูกปล่อยวางอะไรๆลงจนเบาวิวกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดและที่สนใจสังขารก็เพราะเมื่อเห็นปฏิกิริยาทางใจเป็นชอบเป็นชังบ่อยเข้าก็เริ่มรู้สึกถึงความนิ่งรู้อีกแบบหนึ่งที่เป็นกลาง มีความเงียบกริบเหมือนอากาศว่างกำลังเฝ้าติดตามดูระลอกปุ่นทรายสัดมาแล้วสัดไปแรกแรกที่สังเกตเห็นปฏิกิริยาทางใจเป็นชอบชังดับไปจิตจะย้อนกลับไปหาฐานสติคือลมหายใจหรืออิริยาบถตามความเคยชินอย่างเช่นเมื่อมีความกระทบกระทั่งในที่ทำงานโดนว่าว่างานของฉันผิดพลาด หรือใช้ไม่ได้ใจฉันจะชังเสียงตินั้นทันทีรู้สึกได้ถึงแรงทยานแล่นออกไปปะทะเป้าหมายแห่งความชังวูบวาบแต่พอเกิดสติรู้ว่านี่แค่ปฏิกิริยาทางลบของใจเป็นสังขารขันอย่างหนึ่งสติก็กลับเข้าฐานที่มั่นคือจะลากลมหายใจเข้าแล้วระบายลมหายใจออกยาวเป็นพิเศษ เมื่อมีโอกาสทองเกิดปฏิกิริยาทางใจเป็นชังขึ้นอีกตั้งสติรู้ความชังได้อีกอาการวูบแรงก็ลดกําลังลงมากและเห็นขณะแห่งการแผวหายชัดเจนขึ้นไม่ต้องลากลมหายใจยาวเป็นพิเศษและสิ่งที่สังเกตได้คือเมื่อเห็นอนิจจังของความชังชัดขึ้นพอย้อนกลับมารู้ลมหายใจ ลมหายใจก็ปรากฏโดยความเป็นอนิจจังทันทีเช่นกันไม่ต้องกำหนดพิจารณาว่าเข้ามาแล้วต้องออกไปแต่อย่างใดฉันถนัดกำหนดความชังมากกว่าความชอบเพราะเดิมเป็นคนเจ้าโทสะเวลาชังน้ำหน้าใครหรือไม่พอใจสถานการณ์ไหนก็จะโกรวดวูบว่ารุนแรงห้ามใจยากถึงวันนี้ก็ยังมีอาการหงุดหงิดบ่อย และความหงุดหงิดนั้นก็คือลักษณะของความชังความไม่ชอบใจนั่นเองก็นับเป็นโอกาสดียิ่งมีอะไรให้ดูบ่อยก็ยิ่งชนานาดูมากขึ้นเท่านั้นแค่เชื่อตัวเองว่าหมั่นดูทุกครั้งที่ความชังเกิดก็อุ่นใจแล้วว่าจะมีความก้าวหน้าพัฒนาขึ้นและพัฒนาการที่ว่าก็คือความเป็นกลางของจิตเวลามีเครื่องกระทบอันใด จตจะมีปฏิกิริยานิดเดียวแล้วเข้าสู่ภาวะรู้เป็นกลางทันทีความเป็นกลางนั้นหาได้เกิดจากความจงใจวางเฉยแต่เป็นกลางเองตามธรรมชาติเหมือนโลกทั้งโลกมีความหมายน้อยลงใจที่เงียบกริบเฝ้ารู้เฝ้าดูความเคลื่อนไหวดีร้ายของสรรพสิ่งต่างหากที่เพิ่มความหมายมากขึ้นทุกที สรุปความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในช่วงนี้คือมีอาการตรึกนึกน้อยลงมากเปลี่ยนเป็นรู้ตื่นเงียบกริบแทนรู้แค่ไหนพอแค่นั้นไม่ปรุงแต่งต่อไม่ลังเลสงสัยไม่คาดหวังอะไรอะไรเลยพอใจแต่ความเห็นเกิดดับในปัจจุบันท่าเดียว